ลูกตาบ้าหัมบูร์งานศิละของท่านเล่นใหญ่คงจะรับอะไรือว่ามอน้าทึ่งคงได้รับแล้วแตงกาอันนี้ของหลวงปู่ล่าอันนี้ความใจยังกระด้อันนี้เป็นน้ำผงลูกตาอันนี้เป็นนอำ้งองอจมาตาอันนี้ต่อต่อต่อต่อต่อต่อเตรียมตัวตายเตรียมยังไงเตรียมตัวตาย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 พัะกรรมฐ า, านตํำตนยังไงชิดยังไงปฏิบัติยังไงภาวนาอย่างไรในสงฆยังไงรักษาศีลภาวนาอย่างไรอันนี้สงศีนัครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรพยายามพู ด, พดอย่างมากกว20 20กว่านาทีแล้วก็ชั้นนี่ับนั้นคือทุกวันแต่ด้ตอนจากนั้นมากังต่างองค์ก็ต่างอยู่เป็นคนฟ้าศึกษาใครอยากจะฟังธรรมเทศนาเน เดี๋ยวนี้วิทยานีวิทยุของเราอยู่ที่ในวัดของเราเรารับจักดาวเทียนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปให้เปิดฟังธรรมเทศนาของหลวงตารงตาเทศกลางกลางคืนเทศอบรมพระทางนั้นที่เขาเปิดทางในวิทยุให้เปิดฟังอันนี้ก็คือส่วนแต่สำหรับอาตมาภาพเอกอบรมเฉพาะวันพระแปดค่ำสิบห้าค่าไหว้พระพร้อมกัน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 ก็ยังยังได้จับประเด็นได้พอนะนนอย่าเอาออกเออเอาไว้เอาไว้อย่างนี้ดีกว่าราก็อมอคงก็คงเพอาะนมอบให้ทั้งหมดเลยีละอันนี้มอบให้คุณมอมน้ำพึ่งอันนี้ขอถวายพระองค์สและเก็สิ่งที่ไม่มีแล้วคณะนะแล้วานะติตาม วันนี้ได้มากราบหลวงพ่อแล้วก็ได้สั่งรูปแบบหลวงพ่อใหญ่ๆแบบนี้รี้สดยดีมากๆมีครั้งถึงแี้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ว่ารู้สึกว่าาด้ได้ใจความเพิ่งเองก็ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติที่ลําพืม พุทธะวัดตาอไรพุทธะพุทธพสดอพุทธพสดเป็นสายหลวงปู่มั่นพุทธพสนคือแห่งเจ้าเจ้าพระอริยลังโฉอริยลังโแต่ว่ามืไหร่ก็จะหยุดหยุด อยู่แถวหนอยูที่ในในลำพูนอู่ใตัวลำพูนก็เปิดเปิดถัดมาเนี่ยคือมีคนมีคนคนหนึ่งมาจากกรุงเทพเป็นชายหนุ่มดูดูแล้วตาของเขาตาแดงคล้ายๆแบบคิดหนักนมา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 เดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแห่งเราเลึกถึงสิ่งเทวตาวนุสตนะิอันนี้คือกรรมฐานอนุสติสิท แ, แต่อนุสติสิอย่างเดียวเราก็ยังสับสน อ, อยู่แะแต่ทีนี้ในกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่า น, นบอกว่าสติปัฏฐาน4ี่ถ้ารวมลงมาแล้วคือสติปัฏฐาน4ี่มันเป็นหลักในกา ร, รพุทธปฏิปติ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 เอาทดลองดูนะอันนี้ก็คื อ, อภาวนาคำดูลบนับลมหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสอเรียกว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเรียกว่าพุทโธพุทธโธพุทธโธ เ, เรียกว่าหนึ่งสองนับอันนี้ก็คื อ, อกรรมฐ า, านแต่ในหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยคือหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนอย่างนี้อท่านแนะนําสั่งสอนอย่างนี้อันนี้คือหลวงปู่มั่น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 จิตสงบแล้วถึงขั้นคือนั่นคือจิตที่สงบที่สูงสุดทึบทึงที่สุดคือจิตอัปปนาสมาธิแต่ขณะสมาธินะี่เวลาเรานั่งภาวนานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไม่ไม่ท่องจิตท่าอื่ที่ดูกับตัวเองเหมือนกับเคลิ้มเค ม, เ, ม, เ, มเหมือนจะเผลอหรือเหมือนจะหลับอะไรนะักษณะดอย่างนั้นแหละแต่ถ้าไม่จริงไม่ใช่เพราะจิตของเรามันมันมันจะเข้ามาลุลุ่มสูงมันจะเย็นภาพ